ในวันนี้เป็นวันที่30มธันวาห้าหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่31อ็ธันวาห้าหนึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีพุทธศักราช2551ต่อไปก็คงจะเป็นพุทธศักราชปี2552เป็นวันที่หนึ่งมกราตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปส่วนราชการเขาก่อจุด รัชการให้แก่ปวงประชาคนในชาติออกมาเยี่ยมพ่อแม่พักผ่อนสรุปแล้วก็คือเจตนาก็คืออยากจะให้มาผ่อนคลายโดยสร้างคุณงามความดีมาพบญาติพบพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือมาทำกิจธุระที่ยังค้างคงาคือผู้ที่หยุด ก็มีเจตนาอยากจะให้ปวงประชาสั่งสมคุณงามความดีไปในทางที่ดีไม่มีคงจะไม่มีรัฐบาลหรือว่ารัฐมนตรีหรือผู้แทนคนไหนประชุมยกมือให้แล้วก็คงจะบอกว่าเออเอ้าให้ปวงประชาหยุดงานซะเพื่อจะให้มันไปกินเหล้าเมายาให้ไปเล่นการพนันเออให้เป็นธรในสนุกสนาน อบายามุกทุกอย่างให้เขาได้ไปทำอย่างเต็มที่รัฐบาลยุคไหนเขาก็คงจะไม่คิดอย่างนั้นเขาคงจะคิดว่าเออหยุดเข้าไปนี่ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อปวงประชาแล้วก็พร้อมกันปวงประชาทั้งหลายก็ยินดีทั่วนหน้าว่าเป็นวันหยุดจะได้ไปประกอบคุณงามความดีจะได้ไปตั้งหลักตั้งตนตั้งตัวใหม่จะได้ไปกราบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกราบพ่อกราบแม่กราบครูบาอาจารย์หรือจะได้ไปปฏิบัติธรรมหรือจะได้ไปทำกิจธุระที่จาเป็นจะต้องทำอันนี้ก็คือทางรัฐบาลเขาคงจะให้ทำอย่างนั้นปวงประชาของเราผู้ไฝ่สูงก็ควรที่คิดอย่างนั้นแต่เมื่อก็หลายคนอย่างที่ว่าอีกเหมือนกัน ไฟต่ำก็มีไฟสูงก็มีไอ้พวกที่ไฟต่ำก็ยังว่าพอมีโอกาสมีช่วงว่างไม่ได้ทำการทำงานซื้อเหล้ามากินก็กาะเหล้าเข้าไปเถอะไงตาปื้อเถอเลืมหูลืมตาไม่ขึ้ น, นก่อนที่จะว่าจะได้ขึ้นมาหาพ่อหาแม่หาปวงสาคนาญาตทั้งที่จะมีสติสมบูรณ์ขึ้นมา เตรียมสิ่งเตรียมของเตรียมเงินเตรียมทองเตรียมที่จะให้มาให้ฝากเป็นของขวัญของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายกับเอาขี้เหล้าไม่รู้อีโนโอีเนกินเหล้าเข้าไปแล้วตาปื๋เข้าหามขึ้นรถมาจากนู่นมาจากสํานักงานมาจากตนสังกัดของตอนเองพอมาถึงพอ่อถึงแม่แล้วลืมหูลืมตาก็ไม่ขึ้น ผลที่สุด ก, กินเหล้าต่ออีกผลที่สุด ก, กินเมาทั้งมาเมาทั้งอยู่เมาทั้งกลับอย่างนั้นก็มีมากมายเพราะนั้นจึงมีตำรวจเฝ้าด่านไม่รู้เท่าไหร่เริ่มตั้งแต่วันสองวันมาแล้วเฝ้าด่านเฝ้าถน น, นหนทางเพื่อไม่ให้คนทั้งหลายกินเหล้าแล้วก็เอารถชนกันคนขี่เหล้าเอารถชนคนดีวะงั้น คนที่ไม่กินเหล้ามันก็เจ็บไปด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคนกินเหล้าเอาชนคนดีแล้วไม่เจ็บเหมือนกับเอารถไปชนภูเขาเนะ้่ยไม่ใช่ไปรถชนชนรถใครเนมกือบเสียหลักอีกเหมือนกันนะตายไปอีกเหมือนกันนะเพราะขี่เหล้าเอารถไปชนนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะฝากไว้กับศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกๆคนนะอย่างน้อยกับ ถึงจะลูกหลานจะไม่ได้มาพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเลยครับเป็นแนวความคิดอันหนึ่งเหมือนกันเพื่อจะได้แนะนําสั่งสอนลูกหลานของเราที่หลวงพ่อพูดไปนี้คิดว่าเป็นแนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนให้ตั้งตัวตั้งตัวตั้งตนตั้งใจสั่งสมคุณงามความดี ความดีกับความชั่วเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเหมือนกับคนดึงเชือกนั่นสักกะเยอะน่ะก็เรียกว่าสักกะเยอะดึงเชือกมันดึงยากขนาดนั้นละ่ะเลยเขาสีดเส้นกลางให้แล้วกั น, นดีกับชั่วอยู่คนละข้างกันฝ่ายดีกับสักกะเยอะแต่โดยมากฝ่ายดีมันกำลังมันจะน้อยกว่าฝ่ายฝ่ายชั่วเพราะงั้นะในใจของเราเนี่ย สิ่งที่เป็นความชั่วฝ่ายต่าเนี่ยมันจะมีพักผลพักมากกว่ามีกําลังมากกว่าพอดึงที่ใดเนี่ยแปลว่าฝ่ายดีเนี่ยล้มละเนระนาดเพราะงั้นถ่าฝ่ายชั่วเอาไปกินหมดจนกว่าที่พวกเราจะเห็นโทษจริงๆทีนี้อย่างพระอรหันต์หรือพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านมองเห็นแล้วไม่เห็นจะมีความสุขที่ตรงไหนโลกนั่นน่ แล้วก็ถ่ายเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายได้มาแล้วก็เสียไปถึงจะปนปือ้อร่างกายดีขนาดไหนมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายผลที่สุดความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรพอมาทบทวนเนี่ยนะใจก็มีกําลังใจก็มีกําลังใจมีพลังไม่อ่อนโอนเอ็นไปทางทางต่ำ น, นั่นแหะ ทีนีมสักขยื้อบ่านี้แปลว่ามันเห็นโทษอ่ะไปทางต่ำเละตามไปเรื่อยๆไม่มีอะไรที่จะเป็นหนทางที่ดีมีแต่หายนะมีแต่ทางต่ำมีแต่หายนะมีแต่ทุกข์ตามไปเท่าไหร่ก็บีแต่ทุกข์มีแต่จนมีแต่ความเดือดร้อ น, นบุญวายตามกิเลสไปนะเพราะนั้นเมื่อตามไปเท่าไหร่ยิ่งเท่าไหร่ยิ่งถล่มลึกลงไปเรื่อย เหมือนกับถลํากับความชั่วเสียหายอ่ะแต่นี้เราขืนถลําลงไปอย่างงั้นอ่ะอีกสักวันหนึงมันก็เห็นโทษบางคนก็ไม่เห็นโทษก็มีอีกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะมันยังหนาอยู่แต่จนกว่าเมื่อไร่เราเห็นโทษว่าการถลําลงไปในจุดนั้นแล้วมันได้อะไรมันมีประโยชน์อะไร แล้วผลมันออกมาเป็นยังไงบวกลบคูณหารดูแล้วมานั่งคบนั่งหลับตานึกนึกทบทวนบวกลบคูณหารดูแล้วมันเป็นยังไงเมื่อเราบวกลบคูณหารทบทวนดูแล้วอืมถ้าเราตามกิเลสดูอย่างนี้กินเหล้าเมายาอบาวยมุกทุกอย่างอย่างนี้มิจะไปฝ่ายต่ํามันไม่เห็นงอกเงยมันไม่เห็น ความเจริญขึ้นมาในจิตใจเลยมีแต่ถลํมลึกอยู่ตลอดเวลามีแต่หิวหัวอยากอยากอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ฝืนมันน่ะถ้าเราไม่จะขยื้ฝืนมันน่ะมันจะต้องจมลงไปเรื่อยๆเหมือนกันนะเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือมีธรรมะคือความยับยั้งในจิตในใจของเราคือขันติมีขึ้นในใจแลยนะวิริยะพยายามที่จะออก แล้วก็สัจจะมีความจริงจังและจริงใจขึ้นมาแล้วเพราะเหตุไดเพราะปัญญาของเราไตรตรองทบทวนดูทั้งดีทั้งชั่วผลได้ผลเสียในการเป็นอยู่ของเราจากนั้นน่ยตัวปัญญาหรือว่าความดีในจิตในใจของเราก็มีพลังมีพลังในจิตใจจากตั้งแต่สักุญย์ขึ้นมาที่นี่ดึงเชือกเส้นนั้นะ เออความชั่วทั้งหลายล้มละเนรนาดไลยท่านเอจากนั้นก่อนเนี่ยนะเข้าไปสู่จุดแห่งความหลุดพ้นอาสะวะกิเลสกิเลสตัวไหนไม่มาเข้าไปใกล้ได้ทีนี่เพราะท่านรู้เห็นแล้วฉลาดแล้วรู้รอบแล้วรู้แจง้งเห็นจริงแล้วปล่อยวางแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมองไปเท่าไหร่กันนี่แหละมันหาความสุขไม่ได้ อย่างที่หลวงปู่ราศพูดฟังฟังดูแล้วก็น่าคิดเนี่ยที่ท่านพูดท่านบอกว่าถ้าพวกเรายังมองโลกมองโลกสงสารทั้งหลายทั้งปวงว่ามีความสุขเท่าเม็ดงาขาลิ้นพวกเราก็ยังไม่พ้นทุกนวัิตะสงสารถ้ามองโลกหาความสุขไม่ได้ เท่าเม็นงาขาลิ้นเหมือนกันเลยมองดูที่ไรกันมันหาความสุขไม่ได้จริงๆอันไหนคือความสุขมันมีความสุขจริงอยู่จุดนี้แต่ว่าไล่ไปไล่ไปไล่ไปความทุกข์มันมหาศาลเออเหมือนกับเราสาวเชือกเข้าไปเนี่ ย, ยสนนตอนนี้มันมาจากไหนนะมันเชือกเส้นสนี้นะพอสาวๆเข้ า, า, าไปโอ้โหลุกลระเบิดมันเลินเทินทกอยู่ข้างหน้านะี่ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้มันระเบิดแล้วเนี่ยออันนี้ก็เหมือนกันนี่ย ความสุขเล็กๆในน้อยที่เราว่ามีความสุขเพราะตามตามตามเข้าไปมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นระเบิดมะฮึมาเลยว่างั้นเถอะที่จะมันจะระเบิดที่จะทําให้เราทุกข์ระทมอยู่ในวัฏฏะสงสารเนี่ยระเบิดแล้วระเบิดอีกอยู่นั่นนะ่ะเพราะฉนั้นท่านมองเห็นแล้วว่ามันหาความสุขไม่ได้จริงๆแตท่านจึงหนึ่งถอดถอนจิตใจของท่านออก อย่างวัฏสงสารเห็นโทษในวัตฏสงสารอย่างพิจารณาดูร่างกายของเราเอะไรคือความสุขคือร่างกายของเราเนี่ยอยู่ดีมีสุขกินข้าวอร่อยนอนหลับมีเงินใช้มีเพื่อนฝูงได้ร้องฟังรําทําเพลงร้องรําฟังร้องรําฟังเพลงฟังรา ฟัง่นตรีฟังที่สิ่งที่เป็นที่พึงปรารถนาสรุปแล้วเออเป็นที่พอใจเอออะไรก็พอใจหมดเงินก็มีใช้ของใช้ทุกอย่างรถลาม้าวิ่งอะไรพอใช้ลูกน้องป้องไปพอใช้ดีอกดีใจพอใช้หมดทุกอย่างพอใจแต่ว่าความพอใจเหล่านั้นถ้าเรามาพิจารณาดูใช่ความพอใจเหล่านั้นแต่ว่าอีกสักวันหนึ่ง ร่างกายของเราเนี่ยถึงเราจะพอใจในสิ่งเหล่านั้นแต่ร่างกายของเราเนี่ยมันจะต้องแก่แล้วก็เจ็บถึงจะไม่แก่ถึงจะไม่เจ็บก็ถึงมันก็แก่ไปเรื่อยๆแต่พวกเราไม่ได้มองเห็นว่าความเจ็บของร่างกายนั้นคืออะไรแต่หลักของพุทธศาสนาพระริยะเจ้าทั้งหลายแต่ว่าความเจ็บมันมีทุกอริยาบทแต่เพียงแต่เรามองไม่เห็นนันเองเพราะเรามันหยาบมันเคยชิน เกดขึ้นมาแล้วก็หายใจเข้าออกเนี่หละเวทนาละถ้าปิดจมูกเข้าไปก็นั่นแหละรู้สึกแล้วงั้นเอะตนนั้นก็ความทุกข์ก็คือหนาวเย็นร้อนหิวกระหายาปรดอุจจละปัสสาวะล้วนแล้วจะเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแต่พวกเรามองไม่เห็นแต่มันก็ไหลไปเรื่อยๆของมันจนที่ผลที่เกิดแก่ถึงจะมีความสุขขนาดไหนก็มันก็แก่ เดี๋ยกวก็ฟันหลุดแล้กวก็ผมงอเดี๋ยกวก็หนังเหียเ่ยวเดี๋ยกวก็หลังค่อมแล้วก็เดินไม่สะดวกแต่เรามองไม่เห็นเพราะว่าเราเรามองแต่ว่าความสุขมีรถขี่มีเงินใช้มีลูกน้องมีบริวารแต่เรามองแต่ออกไปตะข้างนอกแต่เราไม่ได้มองดูตัวของเรามันหลงเหมือนกันนะสดุปนั่นแหละนั่นคือความหลงจากนั้นอีกสักวันหนึ่งทีนี่มันแก่เข้าแก่เข้าที่นี่ มันจะแก่ไปไหนใช่ไหมมันจะไม่แก่ถึงความตายใช่พราะแก่เข้าไปแล้วมันจะไปที่ไหนผลที่สุดมันก็ตายนี่แหละมาถึงจุดตายนี่แหละท่นี่โอ้โอข่าก็ไม่เคยคิดไปก่อนว่ามันจุดนี้ผลที่สุดหายใจไม่ออกชักดิ่นชักงอถึงใจขาดเท่นี่หมดไปพบหนึ่งชาติหนึ่งหมดไปพบหนึ่งชาติหนึ่งชาติหน้าเกิดมาอีกหลงอีกหลงอย่างชาติที่แล้วนี่แหละ อถ้าว่าได้สิ่งของมาอย่างที่เราต้องการอย่างที่เราปรารถนาเว้นเสียแต่บางพบบางชาติก็ยังว่าเกิดมาก็มีแต่ทนทุกข์ทรมานเอหาข้าวจะอยู่จะกินหาเงินจะใช้กนในลูกเต่าผิดทะเลาะวิวาทกันไปที่ไหนมีแต่คนเบียดเบียนมีแต่คนอยา่ยวจะฆ่าอยากจะตีเอยากจะรังแกเบียดเบียนเกิดมาก็ทุกข์แต่ทุกข์อย่างนั้นก็เถอะนะ แต่ในใจมันก็ยังหาความสุขอีกเหมือนกันนี่แหละอันนี้แหละสรุปแล้วก็คือความสุขหรือทุกตัวนี้ถ้ามีความหลงอยู่ในใจมันมันมองไม่เห็นเพราะนั้นมีแต่พระเริยเจ้าประหันหรือพระธรรมคำส่องสอนของพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นผู้ชี้แนะชี้นำจุดนั้นมันทุกนะแต่มันไม่ใช่สุขนะต้องคิดดูให้ดีนะทบทวนดูให้ดีนะ ถ้าเราไม่ทบทวนดีเพ้อเพลยังมาด่าคนที่บอกอีกต่างหากด่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่างหากเพราะกิเลสมันไม่ยอมใครง่ายง่า ย, ายวะงั้นเถอะแต่โพนิสูตรก็ม้วนเสืออีกเหมือนกันอม้วนเสือเออใช่จริงเอจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าพระอรหันสาวกท่านพูดจริงๆแต่ที่ไหนได้มันสายเกินไปเสียแล้วะผลนิสูตจบในชาตินั้นอีกเกิดมาชาตินาอีกหลงอีกมีคนมาสอนทำมาอีกด่าอีกม นั่นแหะตัวกิเลสมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆคนนะพวกเราท่านทั้งหลายนะให้พิจารณาไตรตรองเหตุและผลที่พระพุทธเจ้าที่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกเอาไว้นะั้นให้ศึกษาสรุปแล้วเราจะไม่รู้วิชาในโลกได้ต้องศึกษาวิชาล่องลาทําเพลงลีหลงลีลาดเขาก็ยังมีการศึกษาแต่วิชาธรรมะจะให้ สยามภูรู้เองเองเหมือนพระพุทธเจ้าจะเป็นไ ป, ไ, ปได้อย่างไรพวกเราก็ต้องศึกษาไปทีละน้อยล้านน้อยเออจริงไหมเหตุผลอย่างนี้จริงไหมที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้จริงไหมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนแนะนําอย่างนี้จริงไหมเราก็ต้องศึกษาไปทีละขั้นละขั้นเออหักจากนั้นก็ไต่ตรองด้วยเหตุและผลเราจะยอมรับไปเรื่อยเรื่อยเืย่เพราะธรรมะเนี่ยเป็นหลักเหตุผลเป็นของจริงไม่ได้เอาของปลอมมาพูด เอาของจริงมาพูดแต่โดยมากคนเราเนี่ยเอาของจริงมาพูดมันรับความจริงไม่ได้เฮ้มันรับความจริงไม่ได้เพราะมันมันจิตใจมันปลอมมันตั้งแต่กี่ภพกี่ชาติมาแล้วมันก็เลยรับไม่ได้มันรับไปแต่ของปลอมถ้าของไหนเสียงหลอกๆสิ่งไหนติโกหกนะมันจะชอบมากโอ้คุณนี่นะจะต้องร่ํารวยนะจะต้องเป็นเศรษฐีนะ่ะเออชอบเหมือนกนะดวงเป็นอย่างงี้นะเออ มง่เหงเป็นอย่างนี้นะถ้าเขายกจองเกินมาชอบมีเท่าไหร่ควักให้เขาหมดเหมือนกันแต่แต่คุณเอ้คุณเนี่ยเอถึงคุณจะเลี้ยงตัวเองอิมีพีมันขนาดไหนก็เถินะร่างกายเนี่ยมันไม่เป็นสวรรค์ดี ม, นมานหรอกไม่ไม่เป็นแท่งทองหรอกอีกสักวันหนึ่งนะแกแถิดแก่แล้วแกเจ็บเจ็บก็ตายร่างกายเนี่ยเดี๋ยวอยีกไม่นานนะห้าหกสิบปีกับผมหงอกเลยต่อไปก็ฟันหลุดหนังเหี่ยวตาฟ้าฟางหูหนวก ตายแน่ๆ น, นะโอ้คารานะ่ไม่ชอบอย่ามาพูดอีกนะอย่างนี้พูดความจริงไม่ชอบอย่างนั้นแ่ละถ้าพูดโกหกยกยอเนะ่ยเออเท่าไหร่เท่ากันควักให้เลยมีเท่าไหร่เมื่อนั้นเนี่อเพราะนั้นกิเลสมันไปอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าให้ถามตัวเองนะอันนี้หลวงพ่อมีแต่ว่าชี้เนี่ยชี้นําชี้ให้ฟังว่ากิเลกกับธรรมธรรมต้องเอาของจริงมาพูด แต่กิเลสเอาของหลอกมาพูดแต่โดยมากพวกเราเนี่ยชอบไปทางกิเลสไปของของหลอกเหมือนกันของจริงเนี่ยไม่ค่อยชอบนะั่นตอนนี้ไปรับพรนะนัตนีอนุมโมทนาให้พร